ก็ตั้งใจตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆการที่เราได้มาร่วมกันเพิ่งเห็นหน้ากันนะก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่เราไม่เคยบางคนนะแต่สำหรับบางคนก็เคยเห็นหน้ากันมาแล้วหลายหลายงานเมื่อเราพบกันแล้วก็ถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีให้กับกันและกัน <c oughs> เพราะว่าเราต่างคนก็ต่างแสวงหาในสิ่งที่ดีแต่ว่าในสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีตามมาด้วยเป็นธรรมดาของมันนะพะมันเป็นคู่ในโลกที่เรามีชีวิตอยู่เป็นคู่ของการเกิดและการดับและการเกิดการดับเนี่ยมันก็เป็นตัวหมุนอยู่ข้างในตั้งแต่เรา ยังไม่เกิดมันมีอยู่แล้วในจักรวาล เ, เรียกว่าเป็นพลังงานก็แยกออกมาเรื่อยๆการเกิดการดับออกมาไปเป็นการ <c oughs> หายใจเข้าคู่ของหายใจออกหายใจเข้าเป็นเกิดหายใจออกเป็นดับลักษณะไหนที่เกิดมันจะมีพลังหนักน่กนวงทุกข์เจ็บปวดในส่วนที่เป็นเกิด ในส่วนที่เป็นดับมันเป็นลักษณะที่เบาสบายสงบเย็นนิพพานหึหนงแปลว่าดับสังสารวัตแปลว่าเกิดขยายตัวไปเรื่อยๆจากวงที่เล็กที่สุดขยายตัวออกมาเป็นเกิดเป็นดับให้เรารู้สึกสบายเป็นดับไม่สบายมันก็เกิดในร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นคู่ ค, ค, คู่อยู่มีหลับตา มีลืมตามีหายใจเข้ามีหายใจออกมีเหลวซ้ายและขวามีหยุดมีเคลื่อนคู่ของการเกิดดับตันนี้ขยายไปจากหน่วยเล็กที่สุดมาเป็นหน่วยใหญ่ที่สุดคือชีวิตของเราจนกระทั่งเป็นหญิงเป็นชายเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลและกุศลเป็นนรกเป็นสวรรค์อย่างเนี้ยคือต้นกาเนิดมาจากทั้งนั้นเขาเรียกว่าเป็นปรมัิต์ จากที่เป็นเกิดเป็นดับออกมาเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจนั่นเองเราก็บริหารบริหารความเป็นคู่ของเราไปเรื่อยๆมันจะวิ่งหากันเองทั้งสองตัวเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเราก็เป็นผู้หญิงเป็นเกิดหรือเป็นดับเป็นผู้ชายหรือเป็นเกิดก็วิ่งหาคู่ของมันตลอดอันนี้เป็นธรรมชาติ เรารู้สึกอยู่ในไฟเกิดนานเราก็รู้สึกไม่สบายเป็นทุกข์ก็เลยวิ่งหาการดับอยู่กับความคิดนานเครียด ว, วิ่งหาการดับความคิดคือไม่เครียดสงบวุ่นวายนานมันเป็นเกิดก็วิ่งหาความสงบก็เป็นดับถ้าเราเข้าใจของคู่อย่างนี้แล้วเนี่ยการปฏิบัติของเราสบายขึ้นเยอะเพราะเราจะไม่สับสนว่าทาไมทาไมทาไม เพราะมันไม่ต้องคิดเยอะมันมีแค่สองเรื่องนั่นแหละถ้าเราคิดก็เป็นเกิดเรามาดูความคิดก็ดับนัะนเองแต่เราต้องใช้มันนะเราจะหนีการเกิดการดับไม่ได้เพราะมันเป็นวิบากที่เราจะต้องมารับรู้มันเพราะความไม่รู้พุทธเจ้ากล่าวสิ่งเดียวที่เป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งปวงคือความไม่รู้คืออวิชชานั้นเองก็เรา เกิดมาก็เพื่อมาใช้วิบากของอวิชชาเมื่อเราได้รับทุกข์รับโทษจากอาวิชชาคือความไม่รู้เราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันมันก็คงไม่สนุกเท่าไหร่นะก็มาสแสวงหาตัวตรงกันข้ามสสแสวงหาตัววิชา เมื่อวิชามันเป็นเหตุให้เกิดแล้วเรื่องหาสวงหาวิชาเป็นเหตุให้ดับเราอยู่กับตัวรู้มันเป็นวิชาอยู่กับตัวไม่รู้เป็นอวิชาก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดนั้นะนั่นเองพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเป็นมนุษย์อย่างเรานี่แหละท่านเกิดมาท่านก็เป็นทุกขนะ์เป็นทุกข์แต่ท่านเป็นมนุษย์ที่ฉลาดพอได เรียนรู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ได้ไวท่านก็หนีในหนีออกมาด้วยความไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาแสวงหาว่าจะให้ไอตัวทุกข์เนี่ยมันหมดไปได้อย่างไรแสวงไปหลายปี5ปี6ปีปนะแสวงหาครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นก็ไม่สามารถจะให้คําตอบท่านได้ว่าทําไมเราจึงทุกข์ ในที่สุดท่านก็ต้องหนีออกมาจากสํานักอาจารย์มาสแสวงหาคําตอบด้วยตัวเองอแล้วในที่สุดท่านก็พบว่า <c oughs> เราเข้าใจมาตลอดว่าความทุกข์มันเกิดที่กายึษาทรมานกายนในที่สุดท่านกลับมาดูอีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่กายแล้วกายนี่มันเป็นอะไรกายนี่มันก็เป็นตุ้นเป็นแท่งเป็นท่าสีเหมือน ทนไม้ทนฟืนน่ะหนึ่งและการที่เราดิ้นได้เดินได้พูดได้เห็นได้คิดได้นี่ทำไมมันจึงมีอันนี้ด้วยเฉพาะร่างกายเหมือนกับวัตถุทั่วไปมันทำอย่างนี้ไม่ได้มันจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่เป็นต้นกำเนิดของตัวนี้อีกสิ่วท่านดูไปดูมาเขาไม่เจอตัวนามทูกสิ่งทุกอย่างมันมีรูปเพราะมันอยู่แล้วแต่ที่มันเติบโตได้ วัตถุบางอย่างเติบโตไม่ได้เช่นต้นไม้ที่ตายแล้วเติบโตอีกไม่ได้แต่ต้นไม้ที่ไม่ตายมันก็ยังเติบโตได้เพราะอะไรท่านก็หาคำตอบไปเรื่อยๆอย่างนี้ต้นไม้ปูเขาเท้าวันอ๋อมันเกิดแล้วมันก็ตายถ้าการเกิดมันยังต่อนเนื่องอยู่ก็เรียกว่ามีชีวิตถ้าเมื่อไรการเกิดมันสิ้นสุดก็เรียกว่าหมดชีวิต ทีนี้ในตัวชีวิตนี่เองถ้าหากว่ามันยังไม่สมบูรณ์ชีวิตมันไม่สมบูรณ์ตัวรู้ตัวนามมันนะในตัวเกิดก็มีตัวดับอยู่ด้วยในตัวเกิดยังมีตัวดับอยู่มันก็เลยทําหน้าที่เป็นพลังตัวเกิดก็กลายมาเป็นพลังอันหนึง่งพลังงานเพราะฉะนั้นในตัวพลังงานตรงนี้พลังงานเกิดเรือกวา Negative, หรือ positive ก็แล้วแต่มีพลังงานดับอยู่ด้วยเราสมมุติว่าส่วนที่มันเกิดเป็น o พส t i v e ส่วนที่มันดับเป็น negative แต่พอในส่วนที่เป็นนามกับว่าการดับกลับเป็น o พ i t i v e การเกิดกลบเป็น negative เราก็มาใช้กับคั้วไฟเป็น ข, ขั้วบุก ข, ขลบเมื่อสองขั้วนั้นมันมา <c oughs> ปรับความสมดุลได้พอดีมันก็อให้เกิดแสงสว่าง แต่เมื่อสองข้อนี้ไม่พอดีไฟอาจจะดับบ้างติดบ้างไม่สว่างบ้างชีวิตเราก็คงเป็นอย่างนี้ในชีวิตมีเกิดถ้ะมีดับพระุทธองค์ก็เลยมาค้นหาว่าถ้ามันเกิดมากเกินไปมันก็ทำให้พลังงานเกินเรียกว่าทุกข์ถ้ามันดับมากเกินไปมันสบายเกินไปเรียกว่าสุขเราไปติดในายเกิดมากเกินไปก็ทุกข์ ประดิในฝ่ายดับมากเกินไปก็ทุกข์ท่านก็มาสมดุลระหว่างเกิดกับดับพอดีก็มารู้ของใหม่ขึ้นมาเรียกว่าไม่ทุกข์มันไม่ใช่สุขและไม่ใช่ทุกข์แต่มันเป็นภาวะที่ไม่ทุกข์ท่านใช้คำว่านิโรธดับทั้งการเกิดและการดับท่านก็มาพบสิ่งนี้การเกิดเรียกว่าทุกข์และทุกข์ที่มีที่ไปที่มาเรียกว่าสมุ ท, ทยัย แล้วมันก็จะต้องดับของมันเองด้วยานิโรธแล้วมีวิธีที่จะดับเร็วมกักแต่ถ้ามันเกิดมันดับของมันเองโดยธรรมชาติมันก็ยังไม่เป็นตัวอริยสัจเมื่อนะท่านคนพบอย่างนี้ท่านก็เลยหาวิธีว่าทำไงใ ห, ให้การเกิดกละการดับสมดุลกันพบว่าในส่วนที่เกิดถ้ามันเกินทาให้ลาบาก เรียกว่าอัตตกิรมัานโยกถ้าทามันดับในส่วนเกินล้วไปติดเบาสบายติดสงบติดสบายมันก็เกินเป็นกามะสุขานิการโยคนั้นต้องบอกว่าทั้งงั้นก็ต้องละทั้งสองส่วนทำที่บรรพชิตพึงไม่คนเสพอันโตอันตาทุกขาก็คคำสุดตรงทั้งสองด้านให้ละกามะสุขานิการการติดในสบายเกินไป มันดับมากๆก็สบายเราไปติดอยากจะให้สบายนานๆแต่ว่ามันก็ต้องเกิดใหม่อีกสลับกันไปสลับกันมาในที่สุดทำงางให้มันสมดุลกันระหว่างเกิดดับพอดีท่านก็เลยมาตามรู้ขบวนการของมันอ๋อการที่มันเกิดมันก็เกินการที่ดับมันเกินนี่เองทำให้เป็นสมูทยัยสุกเกินก็เป็นสมูทยัยทุกเกินก็เป็นสมูทยัยท่านก็มาพยายามปรับ <c oughs> การเกิดและการดับเท่าๆกันดังนั้นก็เป็นภาษาที่เรามาใช่คือว่ารู้เท่าคิดเท่าไรรู้เท่านั้นจะพอดีถ้าคิดเกินตัวรู้น้อยก็จะทุกตัวรู้มากเกินไปไม่คิดเลยก็ทุกนี่ปรับความรู้กับความไม่รู้ปรับความรู้กับความหลงให้มันเท่ากันความหลงเป็นพลังงานอย่างหนึง่ง แล้วก็ความรู้ก็เข้าไปสมดุลกับความหลงก็เป็นความไม่เกิดไม่ดับให้สมมติว่าเป็นไม่เกิดไม่ดับคือทางสายกลางในที่สุดท่านก็มาพบมัชฌิมาปฏิปทาละทางทั้งสองด้านคือส่วนเกินทั้งสองด้านเสียส่วนเกินทั้งไฟเกินและไฟดับแล้วมาปรับการเกิดและการดับให้พอดีถ้าเป็นหลอดไฟเมื่อความทีทั้งสองฝ่ายพอดีก็กลายเป็นแสงสว่าง เะนัในค้นพบอย่างนี้ท่านจึงกล่าวว่าจักขงอุทปาธิจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราคําว่าจักขุคือดวงตานอกดวงตานอกเป็นเกิดดวงตาในาเป็นดับท่านจะใช้คาว่ายานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลกอุอุทปาธิความรู้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราสิ่งนี้อนาควสุเตสุธรร ม, มสุไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้มาก่อนเลยในธรรมจักกันแรกที่สุดที่ท่านได้กล่าวไปในที่สุดเราก็ได้ฟังธรรมเทศนาการแรกเรวธรรมจักกับปวัตนสูตรตัวนี้ก็จึงเป็นหลักที่เกิดให้ เกิดพุทธศาสนาเกิดเป็นธรรมถึงสองแปดมสี่พันพระธรรมขันในเวลาต่อมาเริ่มต้นจากตรงนี้ทีนี้การเมื่อมันมีเกิดมีดับก็หมายความต้องสมดุลระวังการเกิดดับในพอดีจะทำอย่างไร <c oughs> ท่านก็มาดูอ๋ออะไรจะทำให้มีการเกิดขึ้นเพราะอะไร <c oughs> ท่านก็มาหาการเกิดในส่วนกาย ก็บอกว่าชาติพิทุขาชาลาพิทุขาพญาทิพิทุขามารณะพิทุขังการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ในฝ่ายกายเป็นการเกิดในฝ่ายกายแล้วในส่วนนามคือใจละ่ละเรียกว่าอภิเยหิสัมโโยโคทุกโขการประสบในสิ่งที่ไม่ <c oughs> ไม่ไม่ถูกที่มันมา ไอทําให้ใจเราไม่รับไม่ได้คือพลาดลาดอย่างสิ่งที่เรามีอยู่เรามีเงินหนึ่งล้านในวันนี้เรามีเงินล้านวันนี้กลับออกไปไปดูในบรรัญชีตัวเลขมันหายไปเกิดอะไรขึ้นกรรมฐ า, านที่ปฏิบัติมาเจ็ดวันหายแวบไปทันที <laughs> เงินหายจากบัญชีหนึ่งล้านไม่รู้ใครแฮกไปกรรมฐ า, านสลายตัวลงทันทีเลย <laughs> หรือออกไปนี้ได้ข่าวว่าสามีถูกรถชนภรรยาถูกรถชนลูกถูกรักตัวหาตัวไปอย่างเงี้ยอภิยหีสัมโโยโคทุโคเกิดขึ้นทันทีหรือพัดพลาคปิยหีวิปโยโคทุโคพัดภาคจากสิ่งที่เราเคยรักเคยหลงพัดพลาคประสบกับสิ่งที่เราไม่รักและพลาดพาคในสิ่งที่เรารักเป็นเหตุให้เกิดทุกขทางจิตเกิดนี่เกิดละเกิดทางจิต ยำปีชังนรปฏิตามปีทุขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์วันนี้มาที่นี่ปรารถนาว่าจะได้เห็นบุคลิกท่าทางของพระมหาดิเลกอย่างประทับใจกลับมาเจอภาพที่ไม่ประทับใจเลยอะไรรูปภาพกรรมาฐานเต้นแรงเต้นกะทําได้ยังไงผิดวินัยหรือเปลา่าสงสัยไปใช่ไหมก็รับไม่ได้หรือเราต้องการ อยากจะให้จิตสงบวันนี้มันไม่สงบเลยต้องการให้ความรู้สึกตัวทุกขเพราะวันนี้มันไม่ได้อารมณ์เลยวันนี้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์อย่างปิชังนัลปฏิตามปีทุกขังปรารถนาจะให้มันรู้ตัว ต, วตลอดเวลามันกับคิดไปสารพัดอย่างปรารถนาไม่ให้มันง่วงแต่มันก็ง่วงปรารถนาไม่ให้มันมันไม่ได้อย่างใจเราในที่สุดท่านบอกว่าสร้างกีเตนะปัจจุปทานนักันธาทุข่า สรุปรวมแล้วเนี่ยว่าโดยย่อเราเข้าไปอุปทานในกายในใจของเราเนี่ยนั่นแหละไปสาคัญมั่นหมายว่ามันมีตัวมีตนนั่นะเป็นยอดของทุกเลยสรุปสังคิเตณนะปจุปาทานนักันธาทูข่าว่าโดยย่อการเข้าไปสาคัญมั่นหมายในความคิดว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นคือเป็นที่เกิดของทุกฮะท่านก็กล่าวว่าอย่างนี้รวมแล้วทั้ง กายทั้งใจมันมีสิบสองอย่างนะทุกสิบสองอย่างก็กลายมาเป็นธรรมจักรทุกมีสิบสองอย่างาทุกมันเกิดมาจากอะไรล่ะอุปทานมันเกิดมาจากอะไรเพราะ้นเมื่ออุปทานเป็นตัวสุดท้ายในบรรดาทุกทั้งสิบสอย่างสิบเอ็ดอย่างเนะี่ยอุทานเกิดจากอะไรเข้าไปสําคัญผิดในกายในใจในรูปในนามว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะอะไรท่านก็ลำดับไปท่านบอกว่า <c oughs> การที่เราเข้าไปสำคัญมันหมายความสบายอยากจะให้สบายมันเพิ่มขึ้นอยากจะนั่งอยู่นี่อย่างสบายไม่อยากให้มันหนักไม่อยากแค่ไม่หนุงไม่อยากให้มันปวดเลยเนี่ยอยากใค่ไปอยู่นานๆแต่ว่ามันเป็นไปได้อย่างที่เราต้องการไหมความอยากเป็นกาตัญหาโปโนภวิกานันธิราคะสหกตาเพราะเราไปนันธิราคะไปเพลินในความสบายนั้นๆก็ให้เกิดข่าว่าตัหาสามอย่าง กามาตัญหาภพะวตัญหาวิภาวะตัญหากาวมาตัญหาคืออยากได้อย oh, ่างใจเมื่อไม่ได้อย่างใจก็เกิดวิภวะตัญหาคือไม่ไม่ชอบชอบก็เป็นตัญหาไม่ชอบก็เป็นตัญหายึดอยากจะให้ความชอบแล้วไม่ชอบอยู่มันก็เป็นตัญหาด้วยภาวะตัญหาอความอยากให้มันได้อย่างใจเรานี่เองมันจึงเป็นทุกข์แล้วความตัญหาเนี่ยมาจากไหน ก็อย่างที่ลำดับมาเมื่อวานมาจากที่ว่าทุกคนมีความสบายและไม่สบายเมื่อสบายแล้วอยากให้สบายมันเที่ยงอยากให้มันอยู่อย่างนั้นแต่ว่ากฎเกณฑ์ของกติกาว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องเปลี่ยนความสบายก็ต้องเปลี่ยนเป็นความไม่สบายและความไม่สบายเราทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องปรับและความ เนอนัตตาไปก็จะเป็นอยู่เนี้ยถ้าอย่างงั้นเราจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้ตัณหามันเกิดละ่ะก็ให้มารู้จักความสบายแล้วเอาอะไรมารู้จักนั่นคือต้องเกิดธรรมะจักขุคือจักขุงุทธปฏิต้องสร้างดวงตาทำให้ได้นี่เรามานี่เรามาสร้างดวงตาทำนะจักขุงุทธปฏิดวงตาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ลำพังแต่ดวงตาไม่มีแสงสว่างดวงตาทํางานได้ไหมไม่ได้ในที่นี้เราเปิดไฟปิดไฟทั้งหมดนี่เกิดอะไรขึ้นเกิดแผนิดขึ้นทันทีใช่ไหมวุ่นวายขึ้นทันทีว่าทําไมมืดก็เปิดแสงสว่างจากของอุทบาทิใช้แสงสว่างอีกสตัวญานปัญญาวิชาและอโลกะแปลว่าแสงสว่าง จำเป็นต้องดวงตาประกอบด้วยแสงสว่างดวงตาคือปัญญาแสงสว่างคือสติเราบ่อยี่สติปัญญาและสติที่จะนําไปสู่ปัญญาดุเนียพานสัมปชัญญะและสมาธิเป็นตัวเชื่อมดังนั้นเองเราก็จึงมาสร้างสร้างตัวแสงสว่างปัญญาไม่ต้องไปสร้างหรอกเพราะอะไรดวงตา ม, มีแล้วตั้งแต่เกิดตัวรู้ทุกคนมีอยู่แล้วทั้งแต่เกิดไม่ต้องไปสร้างมัน แต่เราขาดอะไรขาดแสงสว่างทาหนึ่งที่เรามาสร้างมาสร้างแสงสว่างคือสติสัมปชัญญะแสงสว่างติด ต, ติดับดับใช้ได้ไหมแสงสว่างต้องสเสถียรใช่ไหมนั่นคือคาว่าสมาธิว่าสเสถียร stabilize your light your in, in, in light ทำให้แสงสว่างนั้นสเสถียรตั้งมั่นเหมือนไฟเนี่ย เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับในวุ่นวายอีกแล้วนะแบบนี้ดีกว่าไม่มีไฟซะเลยดีกว่า <c oughs> แล้วก็เปิดไฟขึ้นมาแสงสว่างต้องสถียนแสงสว่างแล้วล้นเรียกว่าสติสัมปชัญญะและความสถียนของสติเรียกว่าสมาธิแล้วทําให้ดวงตาเห็นชัดคือปัญญาแค่นี้เององค์ประกอบของมันง่ายๆเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทําไมทําให้มันซับซ้อนใครทําให้มันซับซ้อนก็เพราะอวิชชา อย่าไปบอกว่าอาจารย์นั้นอาจารย์ น, นี้ไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหาอีกต้องบอกว่าอวิชชาถ้าเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลเรามีปัญหาแล้วถ้าเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลมันหมายถึงเป็นรูปใช่ไหมรูปเป็นลักษณะของการอะไรเกิดและการดับการเกิดนะเพราะฉะนั้นผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงกล่าวถึงตัวแต่สภาวะที่เป็นปรมัติตไม่จําเป็นไม่เกี่ยวข้องด้วยรูปเพราะมันเกี่ยวข้องอุปาทานของคน อาจารย์นั้นดีอาจารย์นี่ไม่ดีอาจารย์ถูกอาจารย์นั้นผิดมีปัญหาแล้วใช่ไหมเกิดละเกิดทุกข์ละเพราะมันมีตัวตัวรูปขึ้นมาตัวรูปเป็นลักษณะของการเกิดตัวนามเป็นลักษณะของการดับตัวรูปเป็นสมมุติตัวนามเป็นปรมัตดอ่พาพอเข้าใจโยงเข้าไปสู่หลักแบบนี้ปั๊บเนี่ยปันจบปัญหาทันทีแต่ทําไมเรายังไม่จบเพราะ แสงสว่างยังไม่สมบูรณ์ไฟนี้สลัวสลัวแล้วไฟไม่พ อ, อถ้าทั้งหมดเนี่ยมีไฟ ด, ดวงเดียวเนี่ยมันก็เห็นได้บางอีกมุมมัไม่เห็นอีกมุมไม่ เ, ก, มมมเก็ต้องติดให้ทั่วทุกมุมความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวความรู้สึกลึกๆได้ซึ่งได้ให้ท่านจํากัดความมาแล้วแล้วท่านทั้งหลายก็ได้เรียนรู้จากพระอาจารย์ คันชิดมาแล้วว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคืออะไรเพราะนั้นอะ ม, มาก็ไม่ต้องนำกลาำ่าวซ้ำซากอีกเป็นที่เข้าใจกันนะเขาโชคดีนะว่าแต่วิธีการทำสติสัมปชัญญะให้เกิดเนี่ยมันเป็นวิธีการโดยชาวางไทยหลากหลายวิธีเหลือเกินนะบางพวกก็บอกว่าต้องเคลื่อนไหวมือเท่านั้นจะรู้ตัวอย่างอื่นไม่ใช่ใช่หม อีพวกหนึ่งก็บอกขึ้นไว้ใช่ไม่ได้ต้องยุบพองเท่านั้นมีสติกําหนดยุบพองหาใจเข้าอีพว ก, กก็ไม่ใช่น้องก็ไม่ใช่ต้องพุดโทเท่านั้นหายใจเข้าอหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอีพวกหนูไม่ใช่ต้องสมาระหังเท่านั้นก็จะหาวิธีต่างๆกันไปแล้วก็ค้านกันไปว่านั้นถูกว่านี้ผิดไปมันก็เลยเกิดความขัดแยง้ง เราซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้มีความรู้ทั้งนี้เราเข้าใจไม่ได้สับส น, มนไม่รู้ใครถูกใครผิดใช่ไหมความจริงแล้วมันไม่มีถูกไม่ผิดเพียงแต่ ว, ว่ามันจะทําให้แสงสว่างเนี่ยสมบูรณ์ได้ดังไงวิธีการต่างๆพระนั้นเรนทรเจ้าว่านาพุโทโธสมรหังถ้าทําให้แสงสว่างให้ตาเราเห็นชัดใช้ได้ทั้งนั้นเป้าหมายมันแค่นั้นเราก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดี เป้าหมายว่าจะทำไงแสงสว่างชัดพอ ท, ที่ตาเราเห็นได้วิธีไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้เรียกว่าเราเกิดสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นพุทธเจ้าอกอต้องมีสัมมาทิฐินะนี่ลักษณะนี้มีสัมมาทิฏฐิว่าให้เข้าใจให้ถูกสัมมาทิฏฐิแปลว่าเข้าใจให้ถูก right view right understanding นะ ให้ฉะนั้นเองพุทธเจ้าก็เลยอ๋อวิธีการคือจะต้องมีความเห็นถูกถูกต้องก่อนคือตาต้องดีก่อนไม่ใช่ว่าเรามีตาจะเด็ดตาดีเสมอไปใช่ไหมเข้ามาถอดแว่นตาออมาเขาจะมองหน้าค่อยๆชัดละเงี้ยบางทีเรามีตาอยู่ตาเราไม่ดีตาเราเสียใช้เหมือนมากตาบอดสีว้างใช่ไหมบอดหลายลักษณะบางทีตาดีๆเออทำไมเดินชุ่มเศร้าอย่างเงี้ย ผมบอดสีมองเป็นสีเดียวกันหมดเนี่ยไม่ใช่ว่ามีดวงตาแล้วตาจะดีเสมอไปก็ไม่ใช่นะนั้นเราก็มาปรับให้มันตามันดีด้วยแสงสว่างพอด้วยเราจึงเรียกว่าสัมมาทิฐิตามันจะดีได้ไงตาในเนี่ยท่านบอกให้มองอยู่สีอย่างถ้ามองอยู่สีอย่างนี่ถูกไหมคุณว่าตาคุณดีแน่นอนตาในนะแต่ตาตานอกนเนี่ยแล้วแต่ว่าเราเกิดมา ในยี่ห้อไหนเท่านั้นเองอยี่ห้ออีซูซูตโตโยตา้า <c oughs> คือตระกูลของเราคือยี่ห้อหนึ่ ง, งใช่ไหมสร้างมาดีไหมสร้างมาดีก็โอเคไม่เสียง่ายเขาเรียกสกุลนั้นสกุลนี้ตาจะดีที่เรียกว่าสามาธิที่ท่านให้เดฟ n i t ช o นไว้เสียงหนึง่งเห็นรูปเห็นนามเนี่ย ดูรูปดูนามดูสิ่งทั้งปวงเนะี่ยมันเป็นที่ตั้งของสุขหรือเป็นที่ตั้งของทุกข์เนี่ยเบื้องต้นให้มาเห็นตัวนี้ก่อนเป็นที่ตั้งของเกิดหรือเป็นที่ตั้งของดับนี่คือการที่จะมาสำรวจตรวจสอบหาความจริงตรงนี้จะคิดเอาไม่ได้ต้องลงมือทำเนี่ยต้องลงมือทำมันจึงมีคำว่าสมประทานขึ้นมา ทำให้ถูกต้องด้วยสติประทานสีสมบัติประธาน 4, สี่ใช่ไหมทให้ถูกต้องว่าตัวลงท่า ย, ยมทั้งหลายที่ได้ฟังมาหลายวันแล้วเนี่ยร่างกายหรือรูปทั้งหลายเป็นที่ตั้งของสุขและเป็นที่ตั้งของทุกข์แล้วเรา แ, วแวสแวงหาอะไรสแสวงหาสุขแล้วตรงกันไหม <laughs> ไม่ตรงทุกเกิดขึ้นอีกทุกซ้ําซ้อนอแทนที่เราจะสแสวงหาความไม่ทุกข์แต่เรากลักบสแสวงหาความ สุขพอความสุขก็ความทุก ข, ข์มันก็คือสิ่งเดียวกันนี่นะแต่ว่าเอาหน้าทางนี้ออกมันเป็นทุกข์เอาหน้าทางนี้ออกมันเป็นสุขแค่นั้นเองนะฮะมันอันเดียวกันอันนี้เอาหน้าทางนี้ออกเป็นสุขเอาหน้าทางนี้ออกมันเป็นทุกข์ก็มือเดียวกันนั่นแหละแต่มันเอาหน้าไหนออกเท่านั้นเองเรานั่งอย่างนี้เป็นทุกข์ลุกขึ้นไปไงเป็นสุขเงี้ย มันอันเดียวกันแต่พวกเดียวกันนั่นแหละแต่มันมีหนักมีเบามีสบายไม่สบายสุขกับทุกเป็นสิ่งเดียวกันแต่สิ่งไหนที่เราทนได้ยากเราเรียกว่าทุกส่วนไหนที่เราทนได้ง่ายกว่าเรียกว่าสุขแต่ทั้งสองอย่างต้องทนถ้าอย่างนั้นการที่จะเอาร่างกายนีเป็นที่ตั้งของทุกเพราะมันมาจากกำเนิดมันมาจากทุก กำเนิดมาจากทุกอาทำไมรู้วะง่ายๆพ่อแม่ของเราเห็นการขั้งแรกเนี่ยถ้าท่านเห็นเฉยๆเนี่ยเกิดเราขึ้นมาได้ไหมไม่ได้เห็นเราไม่เฉยนะนะไม่เฉยต้อเห็นเราไม่รู้วันที่เกิดเรามาเห็นเราไม่เฉยเราก็อเอ้พ่อแม่เราเห็นกันไม่เฉยเรามาเกิดมาก็ไม่มีใครมาสอนเราให้เห็นเฉยๆ ใช่ไหมมีความสัตยเราเกิดมาเราก็เห็นแล้วก็เป็นไงไม่เฉยเราก็ชอบชอบคนนั้นคนนี้ชอบไปชอบมาพยานทุกข์ก็เกิดขึ้นมาใช่ไหมเราก็เป็นพยานทุกข์ของพ่อของแม่แน่น่นะกำเนิดตรงที่ว่าเราเฉยไม่เป็นนั่นเองคือไม่มีวิชาไม่รู้เราเฉยไม่เป็นเพราะอวิชชาเกิดมาเพราะอวิชชาอาวิชชาเขาเกิดให้เกิดอะไรเฉยไม่ได้ก็อยา่าก ความอยากมันก็เกินทีนี้พอมันเกินแล้วก็เป็นสมุทยัยเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็สร้างกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปไม่มีจบจนกระทั่งมาพบคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่มีพระสาวกของท่านเรียนรู้ติดต่อกันมาเป็นเวลาเกือบสามพันปีจนถึงนปัจจุบันคําสอนของท่านก็ยังสว่างสวยอยู่เหมือนเดิมเพราะท่านไม่ได้มอบ ภาวะพุทธะนี้ให้กับใครเพราะก่อนที่ท่านจะปรินิพานพระอนุนเข้าไปถามว่าตำแหน่งของาศาสดาเนี่ยท่านจะมอบให้ใครหลังจากที่ท่านร่วงรับไปแล้วในการดูแลมูลสงการรับผิดชอบคาสอนต่างๆที่ท่านมาตลอดชีวิตเนี่ยต้องมีคนบริหารจัดการให้ต่อจากท่านได้ท่านจะมอบให้ใครตาแหน่งเนียาศาสดาเนี่ยพุทธเจ้าท่านตัว่าไงดูก่อนาอ น, อน ทำและวินัยใดที่เราตรัสสอนไว้ในที่ต่างๆทำและวินัยนั้นจะเป็นศาสดราแทนเราใช่ไหมไม่ได้ตังดูก่อนกกสปะต่อไปถึงจูงเป็นประธานแทนเราหน้าแาไม่ได้ตทำและวินัยใดที่เราตรัสไว้ในที่นั้นๆเป็นเวลาสี่สบห้าปีทำและวินัยนั้นจะเป็นศาสดราแทนเราพระธรรมคือเรามาไปแบบสมมุติว่าพระธรรมคือคำสอนของท่านใช่ไหม พระวินัยคื อ, อะระบบระเบียบจัดการให้คำสอนนั้นดำรงอยู่ได้อันนั้นจะเป็นศาสนาแทนเราแต่ทีนี้มันเป็นสมมติอ่ะแต่เวลาเราปฏิบัติเราต้องการใช้ปรมัตาร์ใช่ไหมสมมติมันคงส่วนกว้างในแง่โคตรมัตารยเราก็ต้งแปลว่าพระธรรมคือเหตุพระวินัยคือผลพระธรรมคือเกิดพระวินัยคือดับ หรพระวินัยคือเกิดพระธรรมคือดับก็ได้พระธรรมคือปัญญาวินัยคือสตอิอันนี้ใกล้เคียงหน่อยพอเห็นภาพใช่ไหมวินัยคือสติพระอดียเจ้าทั้งหลายมีสติเป็นวินัยเคยได้ยินคำนี้ไหมพระอดียเจ้าทั้งหลายมีสติเป็นวินัยมีสติเป็นศีลมีสติเป็นวินัย แล้วก็มีตัวปัญญาคือธรรมนะถ้าจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นปรมาทโรดูก่อนานนสติปัญญาใดที่เราได้สอนไว้แก่พวกเธอทั้งหลายเป็นเวลาสี่สิบห้าปีสติปัญญานั้นจะเป็นาศาสดาแทนเราใกล้เข้ามาไหมใกล้เข้ามาแล้วทีนี้เราก็มาบริหารสองตัวเนี่ยแต่ในสติ กับปัญญาดังได้กล่าวแล้วว่าปัญญาคือดวงตาสติคือแสงสว่างถ้าจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งดวงตาและแสงสว่างที่มีอยู่ในโลกอันใดดวงตาและแสงสว่างนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราพระพุทธเจ้าคงอยู่ไหมทีนี้คงอยู่นั่นคือพุทธะตัวจริงพุทธะตัวนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนอยู่กับเราทุกคนและข้าท่านค้นพบ แล้วท่านก็นำมาบอกในนามของเจ้าชายศิทาสักยบุตรท่านจึงถูกขนานนามใหม่ว่าพุท ธ, ธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภาวะรู้ตื่นเบิกบานนี่มีใจของมีอยู่ในใจของคนทุกคนไหมมีอยู่ดังนั้นแสดงว่าพุทธเจ้ายังอยู่ไหมยังอยู่อ่าเราจะไปหาพุทธเจ้าที่ไหนเราจึงกล่าวว่าพุธทธังสนันกัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งภาวะรู้ตื่นเบิกบานเป็นที่พึ่งเป็นสรณนสัมผัสได้ไหมเราก็มาสร้างพุทธภาวะที่นี้ให้เกิดธมังสรรคฉามิข้าเจ้าข้าพเจ้าจะถึงซึ่งภาวะความเป็นจริงแห่งตื่นรู้เบิกบานเนี่ยให้คงที่ให้ตั้งมั่นเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังคังสรรคฉามิ พระทเจ้าจะนำตัวรู้ตื่นเบิกมานไปสู่ทั้งกายและใจมาสังฆากันมารวมกันเอาไปใช้ได้ทั้งกายและใจนี่โดยปรมัตินะแต่โดยสมมุติก็พระพุทธเจ้าคือผู้รัศนรู้เองโดยชอบแล้วนำคำําได้สอนแก่บุคคลทั้งหลายพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว พระสงฆ์คือหมู่ชนที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่สีรูปขึ้นไปอันนี้เขาเรียกว่าสมมุติโดยสมมติต้องพูดอย่างนั้นแต่โดยปรมัทิตย์คือสภาวะจิตคือภาวะรู้ตื่นเบิกบานมีอยู่ในใจคนทุกคนสองว่าทำทำยังไงภาวะรู้ตื่นเบิกบานให้เกิดขึ้นและให้คงที่และสมบูรณ์ 3. นํานเอาภาวะรู้ตื่นเบิกบานมาใช้ได้ทั้งกายและใจทั้งตนเองและสังคมได้อย่างไร นี่คือเอามาเป็นที่พึ่งเราจึงกล่าวได้เต็มปากว่าเอาพระพุทธวราพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งทั้งส่วนส ม, มุติและ <c oughs> ทั้งส่วนปรมามังนั้นเมื่อท่านได้ค้นพบว่าจะจัดการกับความอยากคือตัญหาทั้งสามนั้นต้องมีดวงตาดีเรียกว่าสมาธิทิคือสร้างดวงตาภายในก่อนท่านจึงได้บัญญัติอริยมรรมีองแป ขึ้นมาพอท่านได้รู้กฎของรูปและนามกฎของเกิดและดับก่อนอริยสัจสี่ 4, ข้อย่อเหลือสองได้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ทุกสมุทยัย เ, เ, เ, เป็นเกิดหรือเป็นดับเป็นเกิดนิโรธและมรรคเป็นเกิดหรือเป็นดับเป็นดับก็ได้เห็นการเกิดดับก็ด้เห็นอริยสัจนั่นเองและการรู้หยุดอย่าง ชัดเจนและการรู้เคลื่อนอย่างชัดเจนอาการเคลื่อนเป็นเกิดหรือเป็นดับอาการหยุดเป็นเกิดหรือเป็นดับเป็นดับนะเราจึงเอาการเกิดดับที่มีอยู่ในกายทุกส่วนเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมาฐานภาวะรู้เอาภาวะรู้เกิดจากการเคลื่อนการหยุดเนี่ยมาเป็นอารมณ์กรรมาฐานแต่ไม่ได้เอามือนี้มาเป็น นิมิตคืออารมณ์กรรมาฐานแต่อาศัยมือเหมือนอย่างกล่าวว่าเมื่อวานเราต้องทานต้องการทานข้าวให้อิ่มแต่ต้องอาศัยช้อนได้จานไม่มีช้อนไม่มีช้อนไม่มีจานไม่มีแก้วจะทานน้ําลําบากน่ะอารมณ์กรรมาฐานมันเป็นนามถ้าไม่มีรูปนี้เป็นเครื่องมืออารมณ์นั้นก็จะไม่มีที่ตั้งน้ําจะามากองไวัฏวิณิมไม่ได้ต้องมีแก้วตัวรองรับ เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราเค่อยใจหลักการชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ลังเลในการปฏิบัติว่าทำเพื่ออะไรได้อะไรมันจะไม่เกิดความคิดอันนี้เพียงแต่ว่าทำแล้วรู้สึกสติสัมยะชัดไหมแค่นั้นเองไม่ชัดปรับให้มันชัดมไม่เกี่ยวข้องกับหลับตาหรือไม่หลับตาจะเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนจะอะไรไม่เกี่ยวเกี่ยวว่าความรู้สึกตัวเนี่ย มันเข้มแข็งไหมมันชัดเจนไหมสติสัมยาสมบูรณ์เรื่อยๆไหมหรือทําไปแล้ววิธีการนั้นใดมันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดง่วง อ, อ๋อแสดงว่าสติสัมยาไม่สเสถียนละวิธีการอนใดเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความหงุดหงิดและอึดอัดขัดเคืองก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดตัวทุกข์ละใช่ไหมวิธีการอะไรเมื่เกิดขี้เกียจเบื่อเบ้ อ, บอเป็นเหตุใกล้ให้เกิดตัวทุกข์ละ วิธีการใดก็ให้เป็นเหตุกาให้เกิดฟุง้งซ่านลำคาญก็เป็นเหตุกาให้เกิดทุกข์วิธีการใดให้เกิดลังเลสงสัยวุ่นวายไม่แน่ใจเขาจึงเรียกกลุ่มนี้เป็นอุบัติศักอันแรกเวลาทำไปเราก็มาดูว่าวิธีการใดที่ทำให้เกิดง่วงได้ง่ายเราก็คอยสำรวจสมัยที่มาอยู่กับหลวงพ่อพุทธธาตุเข้าไป ปฏิบัตินั่งทีไรก็วันไหนมีสติสัมยาหนนอยก็สงบนิ่งได้นานพอเรานับลมหายใจเนะาะให้เจาเข้านับหนึ่งหให้เจ้านับสองวันไหนสติสัมยาอ่อนสักพักหนึ่งก็เคารวบทงชาติไปทีนิดหนักไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็สลับไปสลับมาสลับไปทําอยู่เกือบสามปีในที่สุดมาถามหลวงพอ่อว่าหลวงพอ่อผมก็ทําอย่างเงี้ยวันไหนสติดีมันก็นั่งได้นานเข้าชานได้ลึก วันไหนสติไม่ดีผมก็ง่วงทั้งวันผมจะแค่ไขอย่างไรสงบไม่สงบสลับกันอยู่เนี้ยท่านบอกว่ามาหาผมได้อธิบายเรื่องนี้ไว้โดยละเอียดในอนาปนาสติส6บหขั้นให้กลับไปอ่านดูอีกครั้งไปเจอคำตอบอย่างนี้เมื่อไหร่ก็หมดอารมณ์เลยนะตอนนั้นเราไม่ได้ง่วงแล้วอ่ะใช่ไหมหมอารมณ์ก็เป็นเหตุให้มาพบหองพ่อเทียนน่แหละ นะที่เราทำเมื่อคืนเพราะเราคือกรรมฐานอานาปนัดเป็นกรรมฐานขั้นละเอียดเป็นมกุฏกรรมฐานนะแต่อีซีของเราเนี่ยมันเวอร์ชันสาสอง่ะแต่อานาปนัดมันเวอร์ชันหกบสี่อ่ะมันไม่แมตกันเลยระหว่างอีซีของเรากับกรรมฐานเนะใช่ไหมกรรมฐานดีแต่อีซีเรามันอ่อนใช่ไหมเราแล้วเราก็ดืนขันดันทุนหลังไปเมื่อเอาโปรแกรมที่ อื่นมาใส่ไม่ได้แล้วมันรับ64สนะมันไม่รับ3าสองนะไม่รับ XP32 สมสองนะอ๋อเราก็ลังาเข้าใจในที่สุดก็คงปรับมาปรับอินทรีย์ของเราเมื่อธรรมานาในกายานุปัสสนานั้นมันมีถึง6มีช้อยให้เลือกถึงหทางใช่ไหมหนึ่งลมหายใจสองอีบทใหญ่ 3. อีบดย่อยสัมปชัญญะ 4. ีท่าศีห้า อาการสดิิสองหอสุภะใช่ไหมหรือปฏิกูลแล้วก็มานมีหอย่างเนี่ยก็เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเหมาะกับอินซียของเราเขาบอกอานาปนาสติดีคุณก็ทำอย่างนั้นทั้งที่ยี่ห้องของคุณมันไม่ใช่เวอร์ชันของคุณไม่ถึงคุณจะดันทุนลังไปทำไมไม่เสียเวลานะอามาก็เหมือนกันนะพอไปเจอเวอร์ชัน อยีห้อยสูงแบบหลวงพ่อพรธท่านมาไม่ไหวแล้วเราดันทุเังไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็หาอาจารย์หนุใหม่มาเชิญหลวงพ่อเทียนพอดีเลยมาใช้เวอร์ชันที่สองใช้เทีย บ, บทสี่และสมปทานยะเออรับได้เวอร์ชันนี้พอดีกับอีซีของเราเลยก็ทําตั้งแต่นนั้ตั้งแต่พบท่านจนถึงป่านนี้ไม่เคยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยนะทํอย่างน้มาตลอดตั้งแต่ปีหนึ่งเกจนมาถึงปัจจุบันนะี เพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่สุดเนี่ยเราต้องดูให้ชัดก่อนว่าอะไรมันเหมาะสมกับเราถ้าเราไม่มีการตรวจสอบอย่างนี้แล้วแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปแล้วชีวิตเรามันมันอยู่ได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เจ็บป่วยเดี๋ยวก็จะตายอ่ะละมัวจะวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันทําให้มันแน่ใจสักอย่างหนึ่งที่มันเหมาะกับอินทรีย์ของเราเนี่ยทีนี้เราก็ไม่ได้มานั่งเถียงกันว่าอาจารย์นั้นใช้อันนี้ท่านบรรลุทำนะ อาจารย์นั่ช่ น, นี้ไม่บลุคุณไม่ต้องเอาบลุทําะไรแ ค, แค่ทุกมันไม่มีคุณพอละหลวงพ่อเทียนบอกคุณไม่ต้องเอาเป็นนะโสดาสีนาาักฆาละหันนะแค่ทุกมันมีคุณก็พอใจแล้วมันจะได้อะไรไม่ได้เราก็ช่างมันเถอะเออทั้งพูดอย่างนั้นเลยตัดบทไปอย่างนั้นเลยสมัยนั้นนะเป็นแฟชั่นใช่ไหมอาจารย์บอกเออคนที่ได้โสดานะคนได้สีนักฆาคาคนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องเราจะมารู้กับเรื่องเหล่านั้นแต่ว่าทุกเรายังทุกอยู่ไหมคุณไม่สนใจตรงนี้ ถ้าเป็นอะไรต่ออะไรเรายังทุกข์อยู่ยังมีปัญหาอยู่เราเป็นไวทําไมเป็นพระอรหันต์นะใช่ไหมเออถ้าเราไม่ทุกข์ดิคุณไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ก็ได้อันนี้หลวงพ่อเทนท่านท่านว่าแบบนั้นเลยน ะ, ะทําให้มันทุกข์น้อยลงเรื่อยๆนั้นถูกต้องแล้วทําแล้วมันยังยังเลยสงสัยว่าทุกข์มันเหลืออยู่เท่าไหร่แล้ววัดจํานวนไม่ได้เนี่ยมันยังไม่ถูกทําไปเรื่อยๆนะมาก็เลยมาทําความเข้าใจทําความเข้าใจอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้า ก็จะหายสงสัยสองเก้าสิบปีนะมันหนาวมากมากเลยใช่ไหมเพราะฉนั้นทุกวันนี้มาเลยก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้ให้พระให้โยมบวชเท่าไหร่แล้พะพอบวชแล้วมันมีตัวตนชนิดใหม่ไงตัวตนชนิดใหม่เกิดมันตัวตนเหล่านี้เป็นอุปท า, านแล้วอุปท า, านทําให้เราสาําคัญผิดแล้วสําคัญผิดนู้นก็เอาตัวตนมาแข่งกันปัญหาก็เลยเกิดอย่างที่เราเห็นนี่ย ถ้าเป็นบวชเป็นพระก็เริ่มมีพรรษาเริ่มมีแบบฟอร์มเริ่มมีชั้นภูมินักธรรมบาลีเดี๋ยวนี้เพิ่มปริญญาเข้าไปอีกใ น, นนี้นะปริญญาตีโทเองนะโอ้มันพอกพูนเปลือกอุปท า, านเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นหนามากเลยแต่ว่าการเข้าถึงสภาวะนี้ต้องการเลาะ อ, ออกให้หมดในด้านสมมุติให้มันเหลือแต่เป็น พุทราและอังุนที่กินได้ทั้งเปลือกทั้งเนื้อนะแต่ถ้าเป็นพระมันไม่ใช่นะเป็นมะพร้าวทุเรียนนะคุณคืนกินทั้งเปลือกทั้งเนื้อๆตายแน่ๆเลยนะกว่ามันล้อเปลือกมันออกนี่ตายนะแต่ว่าในสมัยข้างพุทธกาลทำไมท่านถึงสนับสนุนการบวชเพราะก่อนที่จะขัาบวชท่านจะต้องทําความเข้าใจจนได้ดวงตาและแสงสว่างระดับหนึ่งก่อนแล้วท่านถึงจะบวชให้ แต่ถ้าไม่ดวงตาไม่ได้แสงสว่างแล้วดับเพราะดวงตาแสงสว่างมันมีสีระดับใช่ไหมดวงตาและแสงสว่าง25เห็นได้แค่25คุณหายโรคสามอย่างหายโรคสักยะทิฏฐิโรควิจิขิชาโรคสีและปะัจจรมารคุณหายโรคสามอย่างนี้ถ้าแสงสว่างคุณ25เปอร์เซ็นต์หมายความว่ามุมหนึ่งละ ดวงไฟอยู่มุมหนึ่งแต่อีกสามมุมเป็นไงยังมืดอยู่ใช่อ่าคุณทาต่อไปพัฒนาแสงสว่างพัฒนาสติสัมปชัญต่อไปพัฒนาปฐมาอ้าวเกิดดวงไฟดวงสองมุมที่สองได้อีก 25% เป็นเท่าไหร่ห้อีกสองมุมได้เป็นไงยังมืดอยู่อ่าคุณเจริญสติสัมปัตต่อไปเจริญไปเจริญมาอ้าวได้ดวงตาได้ดวงตาได้แสงสว่างขลิคมุมที่ส เหลือมุมเดียวที่เนี้ยอีกเป็น 75% แลิ้ซใช่ไหมในที่สุดมาทำมุมที่สีให้สว่างได้อีก 25% เปเซ็น1 0เป็นร้อยเปเซนตเต็มมีสีระดับตอนนี้เช็คตัวเองได้ั้มว่าแสงสว่างอยู่ในระดับไหนยังไม่แน่เลย <c oughs> ตรงเนี้ยเราก็เลยไม่ไปไม่มาเพราะเราไม่รู้ว่าเราแสงสว่างเราอยู่ในระดับไหนใช่ไเราก็ามาจัดว่ า, าระดับที่หนึ่งนะพระโสดาบานัน ทำให้สกฤตทิฏฐิห้ไปเปลี่ยนสกฤตทิฏฐิเป็นสมาทิฏฐิได้อ่าให้เปลี่ยนตรงนี้ให้ได้ก่อนนะว่าเราเห็นถูกว่าร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งเป็นที่ตั้งรางกายนี้ไม่ได้เป็นที่ตั้งของความสุขนะคุณจะไปแสวงหาความสุขให้มันลำบากเลยเพียงแต่คุณลดที่ร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของความทุกข์เพียงแต่คุณลดความทุกข์ทางกายทางใจให้มันลดลงเรื่อยๆเท่านั้นะ่ะอาคุณแสวงหาการลดความทุกข์ลง ก็จะละได้ว่าเราไม่สําคัญว่าร่างกายนี้เป็นของเราไม่ได้เป็นร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้เป็นเจ้าของที่แท้จริงของเราคือการเปลี่ยนแปลงแปรปวนเป็นทุกขการที่แตกดับไปตลอดเวลาเรียกว่าไตรลักษ์ร่างกายนี้เจ้าของที่แท้จริงเขาเรียกว่าไตรลักษ์คือนิจังทุกข์ขอหน้าตาทํางานตลอดเวลาตั้งแต่เรายังไม่เกิดไตรลักษณ์ตัวนี้มันทํางานตั้งแต่เราไม่ยังเกิดเราเกิดมาก็จะทํางานมันในฝ่ายรูป แต่ในส่วนของรูปนี้เองที่มันเป็นที่ตั้งของความทุกข์เกินนจังทุกขนาตาถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราก็ไม่สามารถควบคุมไตรลักษณ์ที่มันอยู่ในกายนี้ให้อยู่เฉพาะกายเพราะอะไรเพราะสติสัมปชัญญะและปัญญาของเรายังไม่เติบโตเราก็ไม่สามารถสกัดความปวดของกายไม่ให้เข้าไปสู่ใจเนี่ยสกัดไม่ได้ ความสบายของกายเราไม่สามารถจํากัดอยู่ที่กายมันทอดไหลไปสู่จิตความสบายของกายไหลไปสู่จิตเรียกว่าโสมนัสสะเวทนาและเราไม่สามารถควบคุมความสบายของเวทนาคือโสมนัสเวทนาให้ไปสู่จิตได้ก็เรียกว่าอภิชาความติดใจโสมนัสเป็นความยินดีใช่ไหมยินดีพอใจในความสบายนั้น เราก็สติปัญญาเราก็ยังไม่พออีกที่จะรู้เท่าทันก็เปลี่ยนเป็นอภิชาเข้าไปสู่จิตละและอภิชาก็มาเปลี่ยนเป็นไม่เราก็ไม่รู้ตามทันของความสบายที่เราไปเสพติดอีกก็เป็นนันทิใช่ไหมที่เราว่ามาไม่คืนนันท่เราก็ยังไม่มีปัญญาที่จะรู้มาอีก็กเปลี่ยนเป็นราคะเป็นกามฉันทะไปตามลาดับเห็นไหมมันก็พัฒนาอย่างนี้ดังนั้นการที่จะปไปไล่ค่า ตัวอภิชาตัวนันทิตัวราคามันเป็นปลายเหตุแล้วต้นเหตุไม่อยู่ที่ไหนเราไม่รู้เท่าทันความสบายของกายแล้วไปเสพความสบายแต่ถ้าเรารู้เท่าทันความสบายรู้เท่าทันความสงบเราก็ไปนั่งเสพหลับตาเสพเดี๋ยวนี้หลับตาเสพเลยนะเสพ้วยลึกเลย น, นะเราก็พอใจถ้าใครไปพูดไปดา่าให้ขัดเคืองปับ๊บพุ่งขึ้นเลยความไม่พอใจเกิดขึ้นทันที พอเราเสพความสบายลึกเกินไปพอมันตีกลับปับ๊บมันตีกลับอีกทางคือไม่สบายใจฟุ้งซ่านเลยเรานั่งหลับดาวสงบดีๆนะถ้าใครมาสกิดดาข้างหลังคุณคุณไปนั่งเราบผู้หลับดาทําไมคุณเสพติดความสงบแล้วเนะี่ยใช้ไม่ได้เลยขึ้นเลยใช่ไหมพุ่งขึ้นตีกลับไปอีกข้างเลยอันเนี้ยการเสพมันมีผลมันติดทางนี้พอมันตีกลับตีกลับไปอีกทางหนึ่งมันได้เกินความพอดีท่านบอกให้ละ แต่ถ้าเรานั่งสงบสบายใครจะมาว่าอะไรก็รู้ทันเขาโอเคนั่งสงบก็ใช้ได้มันก็จบใช่ไหมนั่ น, น, นเรื่องสงบไม่สงบไม่ใช่สําคัญสําคัญว่ารู้ทันไหมไอการที่จะรู้ทันเอาอะไรมารู้ทันก็สติสัมปชัญญะรู้ทันทางกายนะพอไปรู้ทันจิตเรียกว่าใช้ปัญญาและญาณใช้ญาณแล้วก็จึงมาพัฒนาตัวสติสัมญากรให้รู้เท่าทันกายก่อน แต่ปัจจุบันเนี่ยคิดว่ากายเรื่องของกายทั้งหมดรู้เท่าทันหรื อ, อยังอย่งอางอ้าวโยมทุกคนลูกขึ้นพลวดลูกขึ้นเลยนะแต่ก่อนที่จะลูกขึ้นยืนมันผ่านอะไรมาว้างไม่ได้ดูเลยนะสติสัยมยาบรรคัดตั้งแต่นั่นแล้วใช่ไหมเราก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วก็ลูกขึ้นต่างหายใจเข้ารู้สึกชัดเแล้ะนั้นในวิธีการหลวงพ่อเทียนก็บูรณาทั้งหมดหมายความว่าทําทั้งอานาปา่าทั้ ง, ท, งท่าอริยบท ใหญ่หบทย่อยไปพร้อมๆกัน่า C อาการ32สองแล้วก็อาชุพะทั้งหมดเนี่ยทั้งหกเนี่ยย่อให้มันเหลือ3 3ความรู้สึกไม่คืนจาได้อยู่ไหมย่อให้มันเหลือ3ความรู้สึกทั้งหกเนี่ยย่อให้เหลือ3าความรู้สึกความรู้สึกอะไรบ้างสบายไม่สบายแล้วก็าเป็นกลางนะก็ย่อให้เสือความรู้สึกแล้วทำความ เห็นความรู้สึกทั้งสามอย่างชัดๆโดยที่ไม่ไปเสพความสบายไม่ไปหนีความไม่สบายแล้วก็ไม่ไปเพลินในความเป็นกลางสามอย่างเนี่ยปรับไปปรับมาอยู่เรื่อยๆนี่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็เป็นอันว่าเราได้เรียนรู้เรื่องของส ม, มาธิฏิก่อนช่วงเช้านี้นะว่านี่คือความหมายของคำว่าส ม, มาธิฏิเพื่อให้ดวงตาที่ใสสว่างก่อน แล้วค่อยๆตลอดเวลานั้นไม่ใช่ว่ารอเวลาเมื่อไหร่ที่จะมานั่งสร้างจังหวะไม่ใช่นะแค่ลุกไปตรงนี้คุณปฏิบัติได้เลยลุกอย่างไรยืนอย่างไรเดินอย่างไรเริ่มไปเลยแล้วก็รู้ให้สบายนะไม่ต้องลุกหนอยืนหนอไม่ต้องให้รู้เฉยๆว่ามันสบายหรือไม่สบายพอชัดหรือไม่ชัดแค่นั้นพอนะถ้ามันไม่ชัดช้าลงหน่อยหนึ่งถ้ามันชัดก็แค่ปรับ ดังนั้นการเคลื่อนกันกไหวก็ทําให้เป็นธรรมชาติแต่ให้ตามรู้ไปเรื่อยๆแต่ไม่ไม่ต้องรู้เต็มที่หรอกรู้ครึ่งๆถ้ารู้เต็มที่มันก็เกินไปใช่ไหมมันดับมา ก, กเกินไปเกินอีกแล้วแต่ถ้าไม่รู้เลยมันเกิดมา ก, กเกินไปก็เกินอยู่แล้วรู้แต่พอดีพอ ด, พอดีเป็นมัชฌิมาปฏิปทารู้แบบสบายๆปุง่ป ง, ง, งๆเบาๆแต่อยา่าไปเสพมันเท น, นเองก็ขอนอนุทนาสาธุในความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน อย่างสบายแล้วก็สงบแล้วมันจะเกิดความสว่างขึ้นในใจโดยการทุกคนทุกท่านถือ